พระพุทธเจ้าบอกว่าความตายนั้นอะนิมิตตังไม่มีสัญญาณล่วงหน้าใครจะไปรู้มีพระรูปหนึ่งในตำบล น, นี่รู้จักมักค้นกันดีหรือเวลาเรามีงานเขาก็เอาเครื่องเสียงมาช่วยทุกครั้งงานของพระทั้งจังหวัดใช้เครื่องเสียงของพระรูปนี้ทีนี้เมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยท่านก็ไปเจอเพราะว่าท่านเป็นมะเร็งลําไส้ก็เขาเ้าไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุกอาดมาก็ไปเยื่ยอยู่ครั้งหนึง่ง อืมก็ไปเห็นในสภาพของท่านที่ผอมมากแต่ท่านก็พูดได้หัวเราะได้นะเอาเอาเข้เาเอาของเอาแบรนด์ไปให้แล้วก็คุยนั่งคุยบนเตียงหัวเราะหัวใครเสร็จแล้วแต่มาก็คิดว่าอืมเดี๋ยวต้องไปเยี่ยมท่านอีกตั้งใจว่าจะเอาปัจจัยไปถวายท่านสักเือนหนึ่งหรือมากกว่านั้นเพื่อให้ท่านใช้รักษาตัวก็คิดอย่างเงี้ยทีนี้เมื่อสองเดือนที่แล้วแต่มาพบบินกลับมาช่วงนั้นฝนพอดีนะ ท่านอา จ, จารย์นามรวิที่มานําเราให้ศีลวันแรกกันนะวัดปากทางเนี่ยก็มาบอกว่าเออเนี่ยท่านพระครูท่านบนา่นว่าท่านอยากได้ร่มซื้อร่มมถวายท่านหน่อยดีไหมอ่าจารยมากับท่านนามรวิทย์ก็ไปบิ๊กซนะีกันน่ะก็ให้ลูกศิษย์ยไปซื้อร่มทีนี้ลูกศิษย์ก็ไปซื้อร่มมาทีนี้ลูกศิษย์ก็ไม่รู้เรื่องร่มมันจะถวายพระมันต้องไม่มีลายใช่ไหมก็ไปซื้อร่มที่สีลายลายมาสองคัน อาตมากับท่านนรมนวิทย์เอาไว้ก่อนยังไม่ต้องถวายเดี๋ยวไว้หลังได้เข้าปีสีก็ซื้อใหม่เอาร่มดําแล้วกันที่เหมาะ ก, กับท่านอะ่ะเราก็ซื้อมาเราเก็บไว้แต่ไม่ถวายเพราะโรคมันไม่ได้เหมาะก็คิดกันอย่างนี้แต่มาก็ลงกรุงเทพพอลงกรุงเทพปับ๊บวันต่อมาท่านอาจารย์นรมนวิทย์โทรศัพท์ไปเบอกท่านพระครูเสียแล้วโอ้โหเรานี่สะดุ้งเลยนะมันค้างอยู่ในใจนี่ไม่ได้ถวายร่ขอท่านอ่ะ คืนที่เขาบรรจุสมท่านเนี่ยแต่มานอนไม่หลับทั้งคืนอ่ะมันติดอยู่ในใจเราเนี่ยติดอยู่ในใจนี่ยังไงก็ไม่หายจนชาวบ้านเขามาปรึกษาว่านักกราร์นี่จะเผาท่านล่ะเขาก็มาหารือว่าจะอยากให้พระอาจารย์ช่วยแต่มาก็เลยรับเป็นเจภาพปราศาทที่จะบรรจุร่างท่าน่ะเผาตามประเพณีของล้านนาไทยเพราะเรารับปากซื้อร่วมให้แล้วไม่ได้ให้อ่ะติดใจ เราก็เลยขอรับที่จะเป็นเจ้าภาพประสาน ท, ท่านก็แล้วกันเนี่ยคุณยมคิดดูสิรุ่มไปซื้อมาแล้วอ่ะแล้วก็บอกว่าเอาไว้ก่อนพอเอาไว้ก่อนแล้วก็บินไปเที่ยที่กรุงเทพกลับมาปั๊บวันเดียวอยมท่านสิ้นเนี่ยมันรอเราไหมไม่รอนะเราจะยุ่งยังไงเขาก็ไม่รอหรอถึงเวลาไปก็ไปปุ๊บปับ ไม่ได้ร่ําไม่ได้ล่าไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวได้ซ้ํานี่คือตัวอย่างว่าความตายไม่คเคยรอใครถ้ามันจะเกิดมันก็เกิดเลยคุณจะทำกิจเสร็จไม่เสร็จเกาไม่สนนะเราจะบอกว่าเฮ้ยขอปฏิบัติธรรมก่อนเขาไม่สนหรอกถึงเวลาเนะี่ยเขาจะมาเอาก็จบเลยนะเพราะฉะนั้นมรณนะนี่มันเป็นภัยที่คุกคามอยู่ตลอดเวลาที่เราสวดมนต์บทพระเทก ร, รัตโศท่านบอกว่า อาเชวากิจจะมาตัดปังโกชัญญามรณงสเวควรทำหน้าที่ในวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าความตายจะมาถึงในวัน่อ้เหรเห็นนะมหาเสเนนะมัจจุนาไมฮิโนสังขรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนะหมายความว่าความตายซึ่งมีเดชานุภาพอันใหญ่หลวงเหมือนกองทัพถ้ามันมาถึงแล้วใครก็ต้านทานไม่ได้นี่ ความตายนั้นจริงเป็นพายที่ครูบาอาจารย์พาสวดพาสวดเนี่ท่านอาจจะสวแต่ปากท่านอาจจะไม่คิดนะว่าแท้ที่จริงมันเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ทุก ท, ทุกเมื่อเลยหรื อ, ห ร, อหรือน้องในหมู่บ้านเนี่ยยมเลิกกัแฟนแล้วก็มาวัดกอเดินคุยโทรศัพท์ผู้หญิงน่ยน้องผู้หญิงม3เดินคุยโทรศัพท์อยู่ดีๆแล้วแฟนบอกเลิกไอ้น้องคนนี้นก็ร้องไห้ออกวัดไปเลย เดินคุยไปเงี้ยโทรศัพท์เงี้ยเลิกใช่ไหมเออเลิกคุยไปคุยมาพอมันเลอถนอนไปปิกอัพมาปุ๊บเดียวหล่นไปอีกข้างทางหนึง่งดับคาที่เลยแลวไอผู้ชายฝั่งโ น, น้นอะล็อคลองเอาไงอะ่ะเนี่ยคิดดูสิคือสยองกันทั้งหมู่บ้านอะ่ะไอฝั่งโน้นมันยังโกรธอยู่เลยนะแล้วส่งมเมสเซจซ้ำร้อยครั้งอะ่ะ โทรศัพท์น้องนี่มันกระเด็นมาฝั่งนี้ตัวมันกระเด็นไปฝั่งโน้นอ่ะนี่เพิ่งเกิดเมื่อก่อนเข้าพรรษาคุณยอมเห็นไหมมรณนะภัยอ่ะเดินออกจากวัดไป น, นะเห็นหมคุยโทรศัพท์ไม่ทันได้ดูรถนี่ก็อันตรายมากฉะนั้นมรณนะนั้นเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเชื่อวันและไม่แจ้งล่วงหน้าไม่เตือนล่วงหน้าไม่เกรงใจใครหน้าอินหน้าพรมไม่สน เราสวดกันอยู่ทุกวันเราเคยตระหนักรู้ถึงเรื่องนี้ไหมว่ามรณะภัยจ่ออยู่ที่ปลายแจ ม, มูกนี้ฉะนั้นในทางพุทธศาสนาท่านจึงมีการศึกษาชนิดหนึ่งซึ่งทั่วโลกเขาไม่ศึกษากันมีอยู่ในพุทธศาสนานี่แหละนี่เรียกว่ามรณัสติศึกษาการศึกษาเพื่อเตรียมรับมือกับความตายอย่างมีสติเมื่อเราได้ตระหนักรู้เป็นอย่างดีว่าความตายนั้นเป็นภัยที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ทางที่ถูกเราไม่ควรจะกลัวตายแต่ทางที่ถูกเราควรจะไม่ประมาทอะไรคือไม่ประมาทเราต้องคิดว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตที่ยังเหลืออยู่ถ้าคิดได้อย่างนี้นะทุกวันยมจะใช้ชีวิตให้ดีที่สุดยมจะไม่ทำอะไรในทางที่จะต้องมานั่งเสียใจในภายหลังคุณยมสังเกตไหมว่าอัตมายุ่งแค่ไหนก็ตาไม่ไม่มีเวลานั่งคุยกับยมพ่อ แต่ขอเอาพ่อมันอยู่ใกล้ๆถึงไม่ได้คุยนะเรามีเวลาแค่เนี้ยแต่ยังไงก็ตามให้พ่ออยู่ในหูในตาอยู่ในรัศมีของพระลูกชายก็แล้วกันไม่ได้นั่งพูดไม่ได้คุยแต่แค่ยอมพี่ดูแลอย่างดีที่สุดนี่เวลาเราน้อยมากเรามาเดือนหนึ่งเรากลับเชียงรายทุกเดือนก็จริงเราอาจจะมีเวลาแค่ครั้งละสามวันสีวันห้าวันแต่เวลาเท่าที่มีแต่มาก็หาน แบ่งสรรปันส่วนอย่างดีที่สุดให้ตัเองได้อยู่กับพ่อหน้าห้องอาตมาเนี่ยจริงๆมันเป็นห้องโลง่งอ่ะธรรมะก็ซื้อเตียงมาให้พ่อนอนที่นั่นทุกครั้งเลยมีอยู่คืนหนึ่งยมพ่อจะมาไปนอนที่โรงพยาบาลศรีบุรรนเมื่อในพรรษาเนี่ยท่า น, ท, านท่านเป็นโรคทุอลมป่องพองแล้วมีอาการหอบหืดพ่อไปนอนที่โรงพยาบาลศรีบุรรนสี่คืนติดมีอยู่คืนหนึ่งตีหนึ่งสะดุ้งตื่นกลางคืน ทีนี้เดือนมันสว่างมากแต่มาก็เลยออกมาเดินเล่นเปิดประตูออกมามองไปที่เตียงพ่อพาผมพับเรียบร้อยทุกครั้งเปิดออกมาเห็นพ่อนอนอยู่แล้ววันนั้นเปิดออกมาไม่เห็นพ่อใจมันวุ้บเลยสักพักหนึ่งจิตมันก็บอกว่าพ่ออยู่โรงพยาบาลมันจำเห็นไหม น, นี่พ่อไม่ได้ไปไหนนะพ่อไปโรงพยาบาล น, นะแค่เห็นเตียงเปล่าอ่ะติตมันยังวุ้เลย พยายามดูิขนาดอาตมาเจริญโมระรัตติมาขนาดไหนพ่อห่างไปแค่เนี้ยเรายังวับได้เนี่ยฉะนั้นอาตมาจึงถนักรู้เป็นอย่างดีว่าเราต้องไม่ประมาทคำตายนั้นเป็นสัจธรรมที่เราต้องรู้ทันส่วนชีวิตของเรานั้นเป็นจริยธรรมที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเมื่อเรารู้เป็นอย่างดีว่าวันหนึ่งเราจะตายกันแล้วเนี่ยทํายังไงคุณจะใช้ชีวิตให้ครบทางถูกต้องก็คือ ต้องใช้ชีวิตดังหนึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของวันที่เหลืออยู่ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ประมาทในทุกเรื่องที่คิดทุกอย่างที่ทำทุกคำที่พูดแล้วก็ทุกครั้งที่เคลื่อนไหวเวลาเราทํางานเราจะทํางานชิ้นนั้นอย่างดีที่สุดเวลาเราอยู่กับใครเราจะอยู่กับคนคนนั้นอย่างดีที่สุดเวลาเราใช้เวลาเราก็จะใช้เวลานั้นอย่างคุ้มที่สุดอยงวันนี้คุณยมไปกับแตามาคุณยมก็คงเห็น ถ้าคุณยมสังเกตคุณยอมก็จะเห็นว่าพระมาไม่เคยปฏิเสธใครเลยทุกคนที่ที่อยากจะถ่ายรูปด้วยต้องได้ถ่ายหรือบางคนแค่ยืนอยู่ใกล้ใกลแค่ทําท่าว่าจะถ่ายเห็นดวงตาที่ทอประการพวกพระธรม ก, ก็ต้องเรียกมาละพาะธรรมาจะเคารพทุกความสัมพันธ์เพราะเราไม่รู้ว่านั่นอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในเอกภพนี้ที่เราจะได้พบกันคุณยมคิดดูว่าโลกนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลแค่ไหนแล้วเราก็มีเหตุให้ได้มาพบกัน ฉะนั้นทุกครั้งที่เราพบกับใครก็ตามเราจะต้องให้เป็นการพบกันที่ดีที่สุดเสมอไปเนื่องจากเราไม่รู้ว่ามันเป็นครั้งแรกขณะเดียวกันมันเป็นครั้งสุดท้ายด้วยหรือเปล่าเห็นหเราจะดีกับทุกความสัมพันธ์จะตั้งใจกับทุกงานและจะใช้เวลาให้คุ้มทุกนาทีนี่แหละคือวิธีที่เรียกกันว่าต้อนรับความตายอย่างมีสติ ไม่ใช่ว่าพอรู้ว่ามันจะตายแล้วกลัวลนลานจนทําอะไรไม่ถูกอันนั้นเขาเรียกว่าต้อนรับความตายไม่เป็นคนที่ตอนรับความตายเป็นจะกลับเป็นคนที่ใช้จีวิตอย่างไม่ประมาทในทุกวันทุกเวลาฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ลองกลับไปพิพจารณาดูว่าทุกวันนี้เราประมาทหรือเปล่ากรณีศึกษาที่ตมาติดครางร่มวมื่อกาท่านพระโคเนี่ยบอกอะไรเราบ้างบอกเราว่าถ้าคุณอยากทําความดีกับใครนะ คิดว่าจะทําและอยู่ในวิสัยที่ทําได้ทําเลยอย่ารออย่ารอไป น, นัันขาดคุณอยากจะทำดีกับลูกคุณรีบทําเลยลูกอยากจะทำดีกับพ่อแม่คุณรีบทําเลยลูกศิษยอยากจะทำดีกับอาจารย์รีบทําเลยเพราะเผือแป๊บเดียวเดี๋ยวมันไปปับ๊บเอาแหมมันนั่งค้างตึงอยู่ในใจเลยนะมันเป็นอย่างนี้จริงจเนี่ยเรื่องท่านอาจารย์พระครูนะที่ติดร่มท่านไว้ คนังหลายเนี่ยเคยคิดจะทำอะไรดีๆให้ใครเนี่ยนึกดูนะตรงเรียบทำต่อมาเรื่องของน้องผู้หญิงคนนั้นที่ทะเลาะกับแฟนแล้วบอกเลิกแล้วเดินออกไปเนี่ยถูกรถชนโคมเลยเนี่ยสะท้อนอะไรสะท้อนว่าเวลากำตายมาถึงเขาไม่เจ้งลงหนาคำถามคือคุณเดินทางไปโลกนะคุณทำวีซ่าไปหรื อ, อยัง นี่แหละหน้องคนนั้นปน่ยปรับไปเนี่ยยังไม่รู้ว่าได้ทำบุญไว้หรือเปล่าแค่หมอต้นเองอะ่ะและไปในอารมณ์ที่กำลังโกรธกาแฟด้วยจิดขุ่นมัวมากนะชาติ น, นี้เกิดเป็นคนชาตหน้าไม่รู้เป็นอะไรแล้วอะ่ะไปในสภาพจิตที่ไม่ปกติด้วยคุณน้ำคิดดูสิฉะนั้นในการเดินทางไปสู่โลกหน้าเราต้องมีวีซ่ากันทุกคนอะไรคือวีซ่าในการเดินทางไปสู่โลกหน้า ก็มีวีซ่าดำวีซ่าขาวแล้วก็ไม่ต้องมีวีซ่าวีซ่าดำหมายความว่าคนที่ทำบาปเอาไว้ก็จะดิ่งไปนรกไปเกิดในสภาพชีวิตที่เป็นเปรตเป็นอสุรกายคือผีเป็นสัตว์นรกคือพวกไม่สมประกอบและเป็นสัตว์เดรัจฉานในวีซ่าดำวีซ่าขาวก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาเกิดเป็นเทวดากลับ ม, มาเกิดเป็นพรหม มีโอกาสบารรลุนิพพานและที่ไม่มีวีซ่าเลยก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนบรรลุนิพพานแล้วอันนั้นไม่ต้องทาวีซ่าเกิดชาตินี้แล้วชาติสุดท้ายจบเลยยอมลองคิดดูถ้าปุปปรับไปเนี่ยยอมคิดว่ายมมีวีซ่าไปไหนวีซ่าไปสวรรคีไหมลองถามใจตัวเองนะที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยมีค่าพอที่จะเขาจะสแตมให้ขึ้นสวรหคิดดูนะ แล้วทำวีซ่าอย่างเงี้ยใช้เส้นไม่ได้ด้วยนะเขาไม่สนใจว่าคุณเป็นใครนะเขาไม่สนหอกใช้เส้นไม่ได้พุทธเจ้าบอกไว้แล้วนะฮีโนสังค์รันเตนะมหาเสเนะมัจจุนาพยามัจจุราช พ, พร้อมกับด้วยเสนามานซึ่งใครๆก็ไม่สามารถต้านทานได้พูดอีกอย่างหนึ่งว่าใครก็ติดสินบนพยามัจจุราชไม่ได้ ฉะนั้นท่านจะทําวีซ่าเน่ะท่านจ่ายแต่ตัวเท่าไหร่มันชัวราชเขาไม่รับสิ่งที่จะตามเราไปก็มีบุญกับบาปนั่นเองคําถามคือแล้วท่าทั้งหลายได้ทําวีซ่าบุญหรือวีซ่าบาปให้ตัวเองปรับไปขึ้นมาทันทีเนี่ยมนุษย์เกิดทันทีที่ตายนะจิตดวงหนึ่งดับจิตดวหนึ่งเกิดทันทีฉะนั้นคุณไปทําวีซ่านาทีสุดท้ายอาจจะไม่ทันนะคุณต้องสั่งสม สิทธิ์ที่จะได้วีซ่านั้นทุกคืนทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืนทุกวันอาตามาเองแม้จะเป็นพระแต่คุณโยมก็คงสังเกตว่าอาตามาก็ยังคงทำบุญให้ทานตลอดนะเอาของไปแจกเอาทุนการศึกษาไปให้นะประพฤติปฏิบัติธรรมโน่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเป็นพราแล้วปลอดภัยแล้วนั่งรับสังฆทานอย่างเดียวไม่ใช่นะแต่มาทำด้วยนะถามคุณยุพานเดี๋ยวเราแจกผ้าหมกันมาทุกปี นะชวนทำโน่นทำนี่ตลอดตั้งแต่คบกันมาในมะีแต่ชวนกันทำบุญตลอดเลยไม่ใช่ว่าเอ้ยเป็นผ้าแล้วนี่ปลอดภัยไม่ใช่นะแต่มาก็ไม่ประมาณนะจะมาทำบุญตลอดจะมาชวนพ่อทำชวนที่ทำชวนโน่นนี่นั่นทำตลอดเวลา น, นี่คือเรารู้ว่าเราต้องทำวีซ่าให้ได้ตลอดเวลาสั่งสมไปสั่งสมแผ่ปุ๊บปั๊ บ, บมัจุราชมาม า, ม า, มาดึงตัวเราไปเนี่ยโดยไม่รู้เนืรู้ตัววีซ่านั้นมันสแตมป์พร้อมจิตดวงสุดท้ายพอจดดับปุ๊บเขาสแตมป์ปึ้งเลย กรรมดำก็พาเราไปนรกกรรมดีก็พาเราไปสวรรค์นั่นคือคติที่สองคติที่สามก็คือจะยอมพี่เขยของอาตมาภาพที่ขับรถไปแล้วก็ไปเจอพี่ชายตัวงแต่ไม่ได้ลงไปดูเพราะมันไม่เนื้อไม่ฝันน่ะก็สะท้อนว่าถ้าเราอยู่กับคนในครอบครัวของเราอยู่กับคนในองค์กรของเราขอให้เราจงดูแลซึ่งกันและกันให้ดีที่สุด อย่าว่าแต่คนเลยแม้แต่หมาแต่หมาก็ไม่ทิ้งตั้งใจจะดูแลทุกคนให้ดีที่สุดลูกศิษย์ลูกหาแต่หมาน่ะที่อยู่กับแต่หมานะแต่หมาดูแลให้ดีที่สุดใครเก่งเราก็ปั้นเลยส่งให้ไปอยู่เมืองนอกเลยไปเรียนเมืองนอกเลยไม่ต้องเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขก็ให้ไปเรียนหมดอะถ้าคุณดีจริงฉันดูแลหมดแล้วก็ดูแลถึงพ่อถึงแม่นะคือมาทํางานกับแตมาเนี่ยเจ็บแค่ได้ป่วยดูแลคุณทั้งตระกูลเลยเพราะอะไร ลูกหลานของคุณเป็นมือเป็นไม้ให้อัตมาอัตมาถือว่าถ้าไม่มีเขาอัตมาทำอะไรไม่ได้มากหรอกฉะนั้นอัตมาก็มักจะบอกเสมอว่ามีปัญหาอะไรให้บอกพระอาจารย์นะลูกนะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างๆนาๆนาน่พ่อแม่ลูกหลานญาตีวงพงศานะพระอาจารย์ถ้าอยู่ในขายที่ช่วยได้พระอาจารย์จะไม่ทิ้งพระอาจารย์กคยไปเยี่ยมบ้านลูกเสร็จไปดูไปแล ที่เธอเนี่ยลูกศิษย์ตมาคนหนึ่ง เ, เขามาอยู่กับตมาเขาไปสร้างบ้านให้แม่เป็นบังกะโลเล็กๆน้องคนบ้านอยู่ท้ายซอยนั่นก็เรียกว่าเป็นลูกคนยากคนจนที่สุดในหมู่บ้านเลยไม่มีปัญญาเรียนหนังสือต้องมาบวชต่อมาทําการทํางานก็มีปัญญาสร้างบ้านได้หลังหนึ่งเขาก็ไปคุยคนในหมู่บ้านว่าจะเอาพระอาจารวอเนี่ยมาขึ้นบ้านใหม่โอ้ยไม่มีใครเชื่อเลยคนแห่มาทั้งตําบลเลยนะคือแห่มาสมน้าหน้ามัน ก็ดูถูกมากพอดำเมิไปจริงๆเนี่ยนะโอ้ยหลังจากนั้นนะมีแต่คนเอาลูกเอาหลานมาฝากแกเห็นไหมเนี่ยก็มีคนมาบอกว่าพระอาจารย์ไปทำไมอ่ะโอ้โหบ้านเข้าไปนะซอยเนี่ยต้องจอดรถไว้ข้างนอกทั้งหมดแล้วต้องเดินเข้าไปอ่ะพระอาจารย์ไปเทศอกข้างเล้าไก่อ่ะ <c ười> คิดดูดิ เดินเข้นไปในฝ่าวงเราเข้าไปคือชาวบ้านก็ชาวบ้านชาบ้านน่ะก็มีคนถามว่ะอาจารย์ไปทําไมมันไม่สมเกียรติพระอาจารย์นั้นน่ะพระอาจารย์เอาศักดิ์ศรีระดับประเทศไปให้ใครน่ะธรรมาก็เลยเทศบนเวทีว่าหลายคนอาจจะไม่รู้น้องคนเนี้ยตอนธรรมาบทอยู่เชียงรายเนี่ยเขาเคยเป็นในอุปอถัมภ์ธรรมาธรรมาเป็นเลขาหลวงพ่อเจ้านั้นจังหวะัะนี่แหละ จะมาทำงานมาเนี่ยก็ได้น้องคนที่คอยนวดคอยฟันคอยปูเตียงคอยเดินบินท่บากตามหลังคนอื่นใครจะไปรู้ละ่ะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยตอนเขาบวชเดนเขาเคยได้ดูแลธรรมานั่นแหละบุญคุณที่เราเกี่ยวข้องกันแต่แค่นั้นก็เพียงพอแล้วที่ธรรมาจะไปช่วยเหลือเกื้อคุณเขาพอธรรมาไปขึ้นบ้านใหม่เขาครั้งนั้นน่ะทั้งตระกูลเลยกลายเป็นตระกูลอันดับหนึ่งของหมู่บ้านขึ้นมาเลยตอนเนี้ย ทุกคนน้ำหน้าถือตาหมดเลยยอมนับน้าถือหมดนี่คือสิ่งที่เราจะต้องดูแลคนที่รับใช้ใกล้ชิดครับครั้งหนึ่งมีพรามคนหนึ่งไปขอบวชในสภาพที่ทุกตัวมขมไม้พระทั้งวัดไม่มีใครบวชให้เลยพระวชเจตะวันน่ะจึงกระทั่งไปหาพระสารีบวชพระสารีบวชบอกให้ไปล้างหน้าล้างตาขับข่ายขับขา่าประพิมพ ป, รประพายว่าเราเคยรู้จัก พระคนนี้ก็ไปล้างหน้าล้างตาเอาฝุ่นขมุกขมอำออกภาษารีบว่าบอกโอ้ยโยมจะมาจําได้มาไงเนี่ยพระคนนี้ก็บอกหลวพ่อผมล้มเหลวทางธุรกิจถูกโกงยับประสานก็ต้องขายทิ้งที น, นี้ผมไม่มีดีเพินะ่มแล้วขอบวชผมไม่ขอบวชกับพระทั้งวัดเลยพระเป็นรายรูปไม่มีใครบวชให้ผมหลวพ่อสองเคราะห์ผมได้ไหมภาษารียบุย่าบอกเอาดิมา วันนี้ฉันบวชให้พระสารีบุตรบวชให้ท่านเลยตอนเย็นมีคนไปฟ้องพระพุทธเจ้าอากรสาวกของพระองค์อ่ะบวชให้คนไม่รู้หัวนอนปลายเท้านี่ระองค์ต้องประชุมแล้วนะเย็นนั้นหลังทําวัดเสร็จพระพุทธเจ้าเรียกประชุมเลยพามาพร้อมกันเป็นห้าหกร้อยนะพุทธเจ้าเรียกมาสารีบุตรมีคนมาบอกฉันว่าเธอบวชให้ยายจกเข็นใจไม่รู้หัวนอนปลายเท้าอ่ะเออมันจริงไหมไหนว่ามาดิ สารีบุตรก็บอกจริงครับหม่อมฉันจําได้ครั้งหนึ่งเคยเป็นเบบาตตอนเขายังเคยเป็นเศรษฐีอ่ะแ ล, ะล้วพระมงคนเนี้ยตัดข้าวถวายหม่อมฉันหนึ่งทัพพีพระพุทธเจ้าค่ะแค่หนึ่งทัพพีก็เพียงพอแล้วที่หม่อมฉันจะตอบแทนเขาด้วยการบวชให้โอ้โหพอได้ยินอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าทําไงยกมือเลยสาธุอนโมทามิแล้ะท่านบอกว่าสารีบุตร ในบรรดาสาวกเราที่เปี่ยมกตัญญูเธอนับว่าเป็นที่หนึ่งนี่คนยอมดูสินี่แหละธรรมาก็ถือเป็นหลักเลยนะว่าชีวิตเราไม่เที่ยงนะดังนั้นเราอยู่กับใครดูแลกันและกันให้ดีที่สุดคนอยู่กับเราดูแลให้ดีที่สุดสัตว์อยู่กับเราดูแลให้ดีที่สุดวันหนึ่งปุบปับจากเราไปคุณจะทําบุญอะไรให้เขาใหญ่แค่ไหนเขาไม่รู้เรื่องแล้ว ปีที่แล้วหมาตะมาเสียไปตัวหนึ่งอยู่กับตะมามาเกือบสิบปีเปื่อทำบุญที่ว่ดนะตะมาก็คิดว่าตะมาเข้มแข็งเนะตอนเขาเสียเราก็เลยกดหลุมยกร่างเขาลงหลุมยมพอ่อยมพี่กัมาพร้อมกันหมดนะเออตอนยกร่างเขาลงหลุมเนี่ยนะพี่สาวก็ร้องไห้ยมพ่อตะมานี่ปกติไม่แสดงอาการอะไรนะพ่อร้องไห้พอยกเขาลงหลุมปุ๊บน้ําตาตะมานี่มันร่วงเปาะลงไปเลย ตกลงไปที่ขนหมาเลยอะอัตมา ถ, ถึงได้รู้ว่าลึกๆแล้วนี่เรารักเขาแค่ไหนถ้าไม่จากไปเขาไม่รู้คุณยอมเห็นไหมมันดุ้งขึ้นแล้วยกคณะกไปทําบุญที่วัดถวายทานให้หมาเลี้ยงพระทั้งวัดเลยด้วยก๋วยเตี๋ยวเขียนชื่อหมาอาโปบุญถึงบุญถึงนี่นำส ก, กุลอัตามานะแต่ฉายาของอัตามาไวชีระเมธีแต่นำส ก, กุลบุญถึง แต่มาก็เขียนว่าอพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีอุทิตส่วนกุศลให้เจ้าเอาโพ้บุญถึงพอหลวงพ่อเอาเอาลายชื่อมาอ่านน่ะอิจิตังบัติตังทุมหังบัติเนธันววชิระเมธีพร้อมกับด้วยยติวงพงษาเป็นเจ้าภาพอุทิตส่วนกุศลให้เจ้าเอาโพ้บุญถึงพอมาถึงตรงนามสกุลหลวงพ่อหยุดแล้วก็หัวเราะเลยไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตน่ะ ท่านบอกว่าทำไมให้หมาใช้น้ำสกุลมันยังไงนี่หลวงพ่อไม่เคยเจอพระธมาก็บอกพ่อตอนเขาอยู่กับผมนะเขาดีกับผมมากเหลือเกินครับพ่อฉะนั้นตอนตายไปแล้วเนี่ยผมก็ต้องให้เกียรติเขาอ่ะเขานี่เหมือนกับคนในครอบครัวผมเขามีค่าพอที่จะใช้น้ำสกุลบ้านผมกันหรอพ่อหลวงพ่อฟังน้ตาไหลเพ่ะเพาะ โอ้ลวงพ่อไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตเลยอเอางั้นก็เอานะอให้พรแล้วกันเอาเอาโป้บนถึงแล้วก็ให้พรไปจนจบญาติพี่น้องตา ม, มาก็น้ำตาซึมแต่พาทางวัดหัวล้อ ก, กันหมดเลยก็อย่างเล่ากันจนทุกวันเนี่ยเนี่ยนี่นี่ก็มันมาจากใจของตามาจริงๆที่ตามาอยากทําให้เขาอะเพราะว่าตอนอยู่เนี่ยเราก็คิดว่าเราทําดีที่สุดแล้วนะ แต่ก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันไปเรียวไปหน่อยพอเขาไม่สบายเนี่ยเราเอาไปไว้ที่โรงพยาบาลสัตว์แล้วพอเรากลับมาการมันสุดก็เลยย้ายไปโรงพยาบาลสัตว์เอกชนกอนไปเยี่ยมเขาครั้งสุดท้ายแตมาซื้อลูกบอลให้เขาด้วยมันก็ประมาณจะซุปเนี่ยแต่มันต้องมีต้องเล่นลูกบอลนนะ่ะหมาพันธุ์เนี้ยซื้อลูกบอลไปฝากเขารูปหัวรูปหางเขานะแต่เขานี่เลี้ยงเลยนะแตมาก็รูปหัวรูปหางบอกว่าลูกไม่เป็นไรนะ พ่อมาแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อมาเยี่ยมอีกนะรวบหัวโลบหางแล้ว เ, เอาบอลให้ซื้อลูกบอลใหม่ให้เขาเล่นพอกลับมาคืนนั้นสี่ทุ่มหมอโทมาหมอโทรมาบอกพี่สาวเนี่ยอานย์อยู่ไหมอาจารย์จำวัดแล้วจะให้ผมพู ด, ดยังไงเนี่ยท่านอาจารย์จะว่าผมไหมว่ามาท่านเนี่ยมาโมรนาฟาเพราะผมเอี๊ฟังไปหัวร้อไปแล้วก็ร้องไห้ไป พี่เอามานี่เป็นคนที่ดูแลแทนดะมาทั้งหัวเราะทั้งลองไห้เลยหัวเราะเพราะว่าหมอเน่ะบอกว่าหมาเขนมะเร็งนะแต่ร้องไห้เพราะว่าพี่เนี่ก็รักไม่น้อยไปกว่าดะมานอะอยู่ด้วยกันทุกคืนทุกวันอนะ่ะคือหมามันมันอยู่กับคนจนมันจะพูดได้อยู่แล้วอย่างเหมือนไอ้ซูเปอร์เนะี่ยคือถ้ามองหน้าเนี่ยเราอ่านตาเขารู้เลยว่าเขาจะพูดกับเราอะ่ะโอ้โหพอวันรุ่งขึ้นดะมาให้พี่ไปรับกลับมานะ เขาแพ็กมาในกล่องอย่างดีแล้วบนกล่องนั้นมีลูกบอลหนึ่งลูกแล้วหมอก็เขียนว่าของเอาโปไปเป็นตัวแต่กลับมามันเหลือหนึ่งกล่องพร้อมลูกบอลหนึ่งใบมันสะเทือนจิตสะเทือนใจอาตมามากใอ้คนยอมคิดดูสินี่แหละปุ๊บปรับจริงๆนะคนยอมนะแล้วเขาป่วยมาเป็นอาทิตย์นะพออาตมาลงจากเครื่องบินอาตมาไปเยี่ยมเขาเนี่ยอาตมาอุ้มเขาขึ้นรถตู้เนหยื่อในเรื่องสายสัมพันธ์ไหม คือโดยอาการเนี่ยมันควรจะไปแล้วอะ่ะฉะนั้นเขาเหมือนกับว่ารอให้ตะมามาย้ายโรงพยาบาลเขาแล้วก็มาลูปหัวหรูปหางบอกลาเขาพอคืนนั้นพวกเขาก็ไปแล้วตมาก็รู้สึกว่าเอา้าฉันไม่เลี้ยงหมาละเพราะว่าเลี้ยงเลี้ยงแล้วมันสะเทือนใจเวลามันจากไปอ่ะสะเทือนใจมากอีกครั้งหนึ่งที่อยู่วัดเป็นเจน้าระวาสเหมือนกันตตอตะมาไม่ได้เลี้ยงหรอกเป็นหมาของรองเจ้าอาวาส แต่มันชอบมากินข้าวกุฏิอาตมากินไปกินมามาเลยมันอยู่ที่กุฏิชื่อจะบุ๋มนั่นก็ดีดีนะตาอาตมาไปเบียนท่าบาทที่ตลาดเทเวทุกวันอ่ะดีมากเลยแล้ววันหนึ่งมันก็ถูกแย่เบื่อไม่รู้ว่าใครเบื่อมันนะนะเจ้าโอ๊ดนี่ยมันขึ้นไปบอกอาตมาว่าจะบุ๋มตายแล้วอาตมาเพิ่งตื่นนอนอาตมาบอกตายก็ฝังสินะแอ้วลูกศิษย์มันก็บอกว่าโอ้โหพระอาจารย์โคตรใจแข็งแล้ว ไม่ดูหน้าหมาเลยจริงๆที่พูดอย่างนั้นไม่ใช่ว่าตัดได้อะไรนะคือสะเทือนใจจนไม่อยากเห็นหน้าคุณยอมคิดดูคือดแตามาไม่อยากเห็นหน้าก็มันเห็นกันอยู่หลาดๆน่ะเวลาแขกมาหามันนอนใต้โต๊ะเลยอ่ะใต้เก้าอี้เลยมันรับแขกกับดามาน่ะไอ้ น, นั่นน่ะแทบจะสวดมนต์ได้อะคิดดูสิเพราะฉะนั้นผู้ตายผู้ดามาผู้ตายก็ฟัง ลึกๆเนี่ยเราไม่อยากลงไปแล้วเห็นเขาตายอ่ะในสภาพที่เราสะเทือนใจสุดๆก็เลยสั่งให้ฝังคุณยอมดูสิเนี่ยมันอยู่กับเราอ่ะเมื่อคืนมันยังส่งเราเข้านอนอยู่เลยอ่ะเนี่ยไอ้ใบเตยก็เหมือนกันไอ้ใบเตอรยนี่ก็เสียต่อจากไอ้โปไอ้ตัวนี้ถึงขั้นว่าพอตีห้าปุ๊บเนาะแต่มาอยู่วัดเบญจานายโยนะตีห้าเนี่ยเคาะประตูเลยเคาะยังกับคนเคาะเลนะปังปังปังปังอะไรแต่มาออกมาเนี่ย บางครัมาเขาคิดว่ามีเด็กมาเรียกไม่ใช่หลังหมาออกมาหมามันเคาะตีห้าแล้วบินทะบาทนะนทำถึงขนาดนี้นะโยมนะและฉลาดมากดูแลตัวเองดีมากอันนี้ก็อยู่มันสิบกว่าปีเนี่ยพอเขาเสียไปเนี่ยเราก็ตั้งใจมากจึงเอาโป้ในตมาปั้นรูปให้เขาตอนนี้น้องปูวาดรูปให้เขาเรียบร้อยแล้วละ่ะตั้งใจว่าเอาโปยอดกระตันอยู่ตมาเขียนเรื่องแล้วก็ปูเป็นคนวาดรูปเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาไว้ทั้งหมด ก็เดี๋ยวปีใหม่ก็คงจะเอาลูกเขามาตั้งไว้ที่เนี่ยเพื่อเล่าเรื่องความกตัญญูให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ว่าหมาเขาก็มีคุณธรรมนี่แหละแล้วแต่มาก็บอกได้ว่าฉันไม่เลี้ยงหมาละเพราะว่าใจขึ้นมาทีเนึ่ยสะเทือนจิตสะเทือนใจมากคือบางทีเราคิดว่าเราแน่เราเข้มแข็งเราตัดได้เราไม่อะไรถ้ายังไม่มีบททดสอบเราไม่มีทางรู้สภาพจิตใจตัวเองหรอกใช่ไม พอปุ๊บปับจากไปขึ้นมาเราถึงได้รู้ว่าโอ้ใจชั้นนไหวยุบเลยคุณโยมอะตอมาก็เขียนเล่าเรื่องนี้ลงนิตยสารแพผวด้วยความสะเทือนใจว่าหมาอะตมาเพิ่งจะไปอะตมาก็จัดศพให้เขาแล้วก็ทําบุญให้เขาก็มีคนอ่านแพผวกลุ่มหนึ่งอ่านแล้วสะเทือนใจวโอ้ยน้ําตาไหลก็รวบรวมเงินกันซื้อลูกหมามาให้อะตมาภาพแล้วก็นั่งเครื่องมาแล้วอุ้มขึ้นเครื่องมาตัวแค่นี้ เอามาให้ตะมาในวันที่29ของปีก่อนตรงกับวันเกิดพอดีพระอาจารย์ได้อ่านแพรู้ว่าหมาพระอาจารย์ตายพวกเราก็โอ้ยนะสะเทือนใจมากวันเกิดปีนี้เลยซื้อหมามาถวายมันก็เริ่มตำนานในความผูกพันกับซปเปอร์สตาร์อีกตัวหนึ่งแล้วเห็นไหมเนี่ยตัวนี้ก็โยมมาซื้อถวายและญาติยมก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เลยทีเดียวกับเพื่อนท่านสี่คน เพราะฉะนั้นพ่อแม่บนทำของซูปเปอรนะ์เนี่ยมันไม่ใช่เล็กๆนะเนี่ยตายไม่ได้นะช่วงนี้แล้วแต่มาก็ขึ้นลงกรุงเทพเชียงรายอย่างนี้แหละก็พี่ก็ให้ข้าวให้น้ําพี่ไม่อยู่คนนั้นก็ให้ข้าวให้น้ำํำยอมรู้ไหมคนให้ข้าวให้น้ํามันเป็นสิบคนแต่มันรู้ว่าใครเป็นเจ้าของนี่นี่คือหมาความพักดีของเขาอะชัดเจนมากฉะนั้นแต่มาจึงถือเป็นปรัชญาเลยว่า เราจะดูแลทุกคนที่รายล้อมเราอยู่อย่างดีที่สุดทุกสัตว์ที่รายล้อมเราอยู่อย่างดีที่สุดเพราะอะไรภิความตายมาพรากจะได้ไม่ต้องมานั่งสะเทือนใจว่าฉันอยากทำดีกับคุณนะแต่ฉันไม่ได้ทำฉะนั้นเรื่องเหล่านี้คุณอย่า ไ, ไปคิดนะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่ธรรมภาพอยากถวายร่วมท่านพระครูไม่ได้ถวาย คนจะเป็นอนุสติว่าถ้ายมยมรับปากอะไรกับใครเอาไว้อะถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีที่งามลำเลิ้ประเ ส, สริฐศีรากแล้วเรียบทําด้วยนะส่วนเรื่องน้องผู้หญิงคนที่สองก็ให้ยอมถามเองว่าที่ความตายมาพรากอย่างปัจจุบันทันด่วนคุณยมมีวีซ่าไหมที่จะกลับมาเกิดในมนุษยภูมิอีกครั้งหนึ่งวีซ่าของยอมที่มีเป็นวีซ่าดาหรือวีซา่าขาวแล้วก็ส่วนเรื่องของ จนสุนัทั้งหลายของอัตมาภาพก็ควรจะเตือนเราทั้งหลายว่าเมื่อเราอยู่ด้วยกันก็จงดูแลกันและกันอย่างเด็ดที่สุดพี่ความตายมาพรากโดยไม่บอกลุ้งหน้าจะได้ไม่ต้องมานั่งกินแหนงแคลงใจตัวเองว่าฉันยังทำดีกับเธอไม่พอดังนั้นความตายเป็นสิ่งซึ่งเราไม่อาจปฏิเสธไม่เร็วก็ช้าเขามาแน่สิ่งที่เราควรระพึ่งปฏิบัติก็คือ หนึ่งทำวันนี้ให้ดีที่สุดอจเชวะกิ จ, จมาตะปังโกชัญญามารังสุเวควรทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่มีใครรู้ว่าความตายจะมาถึงในวันห้องสองบอกตัวเองเสมือนหนึ่งว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของเราเมื่อเราตื่นขึ้นมาให้เตือนตัวเองว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตเราจะได้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทสาม จงดีกับคนทุกคนทุกที่ทุกโอกาสทุกสถานทุกเพศทุกเผ่าพันวันนะทุกศาสนาทุกวัฒนธรรมเพราะไม่รู้วันนั้นอาจจะเป็นครั้งเดียวเท่านั้นที่เราได้พบกันในห้วงเอกภพอันกว้างไกลไพศาลนี้ขอให้ครั้งเดียวที่เราได้พบกันนั้นเป็นครั้งเดียวที่ประทับใจที่สุดอย่าให้ความสัมพันธ์กับเราระหว่างเรากับคนที่อยู่ตรงหน้า กลายเป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดทัุราหและนำมาซึ่งความมาฆ่าพยาบาทต่อกันและกันทุกครั้งที่เราพบกับคนขอให้เขารู้สึกเป็นศีลมงคลต่อชีวิตจงเคารพคนจงให้เกียรติคนไม่ใช่เพราะว่าเขาจะาประโยชน์มาให้เราแต่เพราะว่าเขาก็คนเหมือนกันกับเรานั่นแหละพีความตายมาพรากเราไม่ต้องมานั่งกินแหลงแขงใจว่าฉันทําให้คนนั้นผิดใจคนนี้หมองใจคนนั้นอาฆาตพยาบาทไม่ต้อง เมื่อเราดีกับคนทุกคนแล้วไปวันไหนเราก็ไม่มีอะไรค้างตึงอยู่ในใจทําได้สามประการนี้โยมก็รับมือกับความตายได้แล้วระดับหนึ่งแต่ทีนี้ระดับสําคัญที่สุดนอกจากเราจะทําอย่างที่บอกมาแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งเมื่อเราเลื่อนระดับขั้นไปสิ่งที่จะวัดว่าจะไปสู่สุคติหรือทุคกกติก็คือจิตดวงสุดท้ายถ้าจิตดวงสุดท้ายของเราผ่องแผ้วเราไปสู่สุคติถ้าจิตดวงสุดท้ายของเราเศรมองเราไปทุคติ ทำอย่างไรจึงจะพยายามประคองให้จิตของเราเป็นสุขติวิธีที่ธรรมภาพสอนไปแล้วนั่นเองคือการกลับมารู้เนื้อรู้ตัวอยู่เสมอทำอะไรก็ตามพยายามเติมสติลงไปให้มีสติอยู่เสมอทุกต้นช่วโมงพยายามกลับมาตามลมหายใจทุกครั้งที่คุณทำอะไรแล้วมันยังว่างๆอยู่อย่าว่างเฉยๆกลับมาตามดูตามรู้ลมหายใจทำอย่างนี้อยู่เสมอมันจะเป็นการพอกจิตของเราให้คุ้นชินกับ การตามลมหายใจเข้าออกวันหนึ่งปรับปรับอยู่ระหว่างหน้าสิวหน้าขวานเช่นรถกำลังจะเฉียวจะชนกำลังตกจากที่สูงไฟกำลังจะไหม้คนอื่นตกใจกันหมดแต่ถ้าโยมปลูกฝังอาณาปณสติเอาไว้เสมอโยมจะครองสติได้และคนที่ครองสติได้เป็นคนที่เลือกเกิดได้ฉะนั้นอย่าเลย น, นะหาโอกาสกลับมาตามดูตามรู้ ทุกลมหายใจเข้าออกหรือทุกเรื่องที่คิดทุกคิจที่ทำทุกคําที่พูดอยู่เสมออย่างเวลาตะามานั่งรถเห็นตะมาหลับตาอย่าไปคิดว่าตามาหลับนะอนะตะมากลับมาตามลมหายใจตะมาทําอย่างนี้เสมอทําอยู่ตลอดเวละบางทียังไม่รู้ก็ ค, คิดว่าเราหลับบางทีเรานั่งอยู่กลางงานเรานั่งยั ง, ย ง, ยงไม่ใช่ไม่ใช่เผลอหลั บ, ลบนั่นนะตามลมหายใจทั้งนั้นนะ่โยมมักจะบอกว่าอู้พระอาจารย์งานเยอะเอาเวลาไหนมาปฏิบัติสําหรับตะมาปฏิบัติตลอดเลยนั่งเครื่องบินคนอื่นหลับ เรานั่งเงียบในความเงียบอาตมาเจริญอาณาปานาสติกรุงเทพถึงเชียงรายเชียงรายถึงกรุงเทพบางทีนั่งจากกรุงเทพถึงนิยวยอร์กอ่านหนังสือจนเต็มที่แล้วยังไม่หลับยังไม่ง่วงอาตมาก็เจริญอาณาปานาสติข้ามทวีปเลยอาตมาก็ยังทำถ้ามีเวลาหายใจก็ต้องมีเวลาสําหรับภาวนาฉะนั้นเราเราอย่าไปใบเบียงนะว่าไม่มีเวลาหรอก เพราะภาวนานั้นใช้ลมหายใจถ้ายังมีเวลาหายใจโยมก็ต้องมีเวลาสําหรับภาวนาเนี่ยเดินเดินจากวิหารหลวงเนี่ยลงไปห้องน้ํราร้อยเก้าถ้าโยมเจริญสติตามไปด้วยนั่นก็คือการปฏิบัติสายยังก็รู้ขวายั่งก็รู้ก็คือการปฏิบัติโยมยกน้ําขึ้นจิตโยมตามดูตามรู้น้ําที่ไหลเข้าไปจากปากล่วงลงไปในลําคอลงถึงกระเพาะลําไส้นั่นก็คือการเจริญสติ ทุกทกอิริย์หมดของเราคือการเจริญสติได้ทั้งหมดและถ้าเราเพียายามทําอย่างนี้อยู่เสมอยอมจะครองสติได้ยี่สีชั่วโมงถ้ายอมยังลืมตาตื่นอยู่พยายามครองสติให้ได้มากที่สุดนั่นแหละวันหนึ่งถ้า ป, ป, ปรับปรุงรับดําขันไปยมจะอยู่กับสติหลวงพ่อเจรินท่านเคยเล่า ว, ว่าตอนที่ท่านประสบอุบัติเหตุรถชนกันโค้งท่านปลิวออกมาจากรถเหมือนเศษกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วตกลงหน้ารถหม้อน้ําร้อนจาก รถอะลวกท่านนาทีนั้นคนที่มาเห็นท่านทุกคนสรุปแล้วว่ามอร์นาแล้วแต่หลวงพ่อบอกว่าท่านหายใจทางจลมองไม่ได้เพราะเลือดมันขึ้นมาลัดตันอยู่ในระบบทางเดินหายใจเนี่ยหมวพ่อหายใจทางไหนหลวงพ่อท่านเจริญมรณสติด้วยการฝึกยึบหนอพองหนอท่านบอกว่าพอเลือดมันมาข้างอยู่ที่ลําคอเนี่ยมันส่งมาถึงระบบทางเดินหายใจไม่ได้ สิ่งหนึ่งซึ่งสะท้อนว่าท่านยังไม่ตายคือหน้าท้องท่านยังทองยุกทองยุกทองยุกหลวงพ่อบอกว่าอาตามาย้ายจิตมาอยู่ที่พองยุคและนั่นคือสิ่งเดียวที่ทําให้ท่านรู้ว่าท่านยังไม่ตายคนทั่วไปถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเดียวว่าจิตมันจะไปอยู่ไหนจิตมันคงแตกท่าไปเรียบร้อยกระเด็นไปโลกหน้าเรียบร้อยละแต่หลวงพ่อนั้นพอบัรชนโคมปั๊บ ท่านย้ายจิตมาไว้ที่พองยุบเลยเพราะท่านฝึกมาแบบนั้นธรรมาก็ฝึกมาแบบนี้ฉะนั้นหน้าสิวหน้าขวานเมื่อไรธรรมาก็เรียกสติกลับมาตามดูอาการพองยุบอายใจเข้ารู้หายใจออกรู้จะหน้าสิวหน้าขวานเคลื่อไหนไม่เตือนอยากให้เราทั้งหลายฝึกไว้ที่แนะนําไว้ทั้งหมดนั้นจะมีประโยชน์สูงสุดเลยทีนี้ก็มีวิธีหนึ่งอันนี้สําคัญมากก่อนนอนทุกคืน เราควรจะเจริญโมโารณสตินั่นก็คือประสานมือไว้ตรงหน้าท้องตามดูลมหายใจของเราจนกว่ามันจะหลับไปพร้อมกับการเจริญสติพอตื่นมาปับ๊บอย่าเพิ่งลุกจากเตียงนะตื่นมาปับ๊บมือประสานหน้าท้องตามดูลมหายใจหายใจเข้าท้องพองหายใจอท้องยุบก็ตามดูอีกสักห้านาทีพูดง่ายๆว่าก่อนนอนห้านาทีตื่นนอนห้านาทีแค่นั้นละ่ะยมปุรั บ, ป บ, ป บ, ปบเป็นอะไรขึ้นมานะกลางคืนยมก็จะุ๊ สุขติตื่นมาตอนเช้าให้จิตดวงแรกสัมผัสกับสิ่งที่เป็นมงคลที่สุดก่อนก็คือตามดูลมหายใจจะตามลมหายใจก็ได้จะตามดูหน้าท้องที่พองยบก็ได้แล้วคําแรกที่พูดเน่ะลุกตื่นมาปับนะ๊บเนี่ยคําแรกที่พูดก่อนจะลุกจากเตียงนะพูดคําที่เป็นมงคลที่สุดอาตอมาจะมีคําว่าพูดทอเป็นคําติดปากเลยอาตมาฝึกมาเป็นสิบปีแล้วแต่ถ้าเราตื่นมาปั๊บ เกาหัวยุ่งโอ้โหแม่งวันนี้ก็ <c oughs> ถ้ามันเริ่มเริ่มแม่งเรวก็ระวังให้ดีนะวันนั้นมันยุ่งทั้งวั น, นะเห็นไหมเนี <c oughs> ่ยเคยสังเกตไหมตื่นมาแล้วท่านพูดอะไรก่อนนะทุกวันเนี้ยจากนี้เป็นต้นไปเรามีครูมีบาแล้วนะฝ <c oughs> ึกให้ดีนะตื่นมาพับอ่ายังไม่ลุกนะ <c oughs> ตามดูลมหายใจสักห้านาทีดีไหมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ หายใจเข้าโฟหายใจออกยุบอ้าวแล้ว พ, พัพพนห้านาทีค่อยเข้ า, ข า, ขาห้องน้ำสดชื่นละเราเริ่มเบิกเลิอกของเราด้วยการจเจริญสติทีนี้ก่อนนอนทุกคืนโอ้โหงานเต็มไปหมดเลยเนะ่ยก่อนจะนอนตีหนึ่งแล้วปิดคอมปุ้บงานเต็มหัวเลยนะถ้าเข้านอนพร้อมกับงานมันจะฝันถึงเงนินแต่ถ้าโยมเข้านอนทับโยมตามดูลมหายใจคุณโยมเชื่อไหมทีนี้จิตของโยมจะสงบมาก อาตมาพาโยมปฏิบัติที่นี่แหละนะคอสเข้มมวีวันหนึ่งอาตมาฝันเนีย่ยระหว่างปล่อยให้เข้าที่พักในความเงียบแล้วอาตมาก็ฝันฝันว่าอาตมากําลังดูจิตอยู่ก็ตื่นมาตีสี่อาตมาตื่นก่อนรครังเพราะตื่นปับ๊บจิตมันปฏิบัติต่อจากในฝันทันทีเลยนี่ให้มันได้ขนาดนี้นะรอคือในฝันมันก็ฝันว่ากําลังดูจิตอยู่พอตื่นมาปุ๊บจิตมันเชื่อมกิกเลย เห็นไหมโอ้โหเนี่ยต่อเ น, นื่องทั้งวันเลยเป็นสายโซ่แห่งการเจริญสตินะวัน น, นึ่งเดบะก็ออกมาเดินเแตดบะก็คิดว่าช่วงนี้ป่ามันรกได้เจองูทําไงเดินจงกรมมาจะมาถึงนี้แล้วก็เดินกลับไปพอเดินกลับไปปุ๊บโอ้โหตัวเท่าแขนเลยตากแดดรออยู่ตรงนั้นเลยเห็นไหมจิตของคนที่เจริญสติน่ะเวลาคิดเนี่ย แรงมากนะมีพลังแผ่คลุมไปหมดหลวงพอ่อธรรมจึงสอนว่าเวลาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่าแช่งใครเป็นอันขาดแช่งแล้วมีผลนี่ท่านถึงให้แก้ด้วยการทำยังไงปฏิบัติเสร็จปั๊บแผ่เมตตาทันทีปฏิบัติปัป๊บแผ่เมตตาทันทีจิตมีพลังมากไปอยู่ใกล้ต้นไม้ต้นไม้ก็อย่างงอกงาม เนที่มีคนเปิดบทสวดมนต์แล้วต้นไม้เป็นผีบานมันงอก ง, งางมมันนั่น่ะมันพลังของจิตทั้งนั้นฉะนั้นทุกคืนเนี่ยถ้าโยมหลับไปพร้อมกับจิตดวงสุดท้ายที่มันยังเจริญสติอยู่เนี่ยโยมก็จะหลับฝันดีพี่ความตายมาพัก ป, ปปับโยมก็ได้วีซา่าเป็นวีซ่าขาวนะกลับมาเกิดในมนุษย์เซยภูมิหรือไม่งั้นก็เทวภูมิคือไม่มนุษย์ก็เทพละ่ะแต่ถ้าโยมหลับไปพร้อมกับจิตที่ยุ่งขิงยุ่งขา่าอู้ด่ากันลุ้งลิงบึง ครูจะฆ่าจะฟันกันเนี่ยหรือดูหนังนำเน่าอิดชาตาร้อนเสร็จแล้วก็หลับนะปุ๊บปรับเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ภูมิไหนภูมินันน้นนายโยมนะไปนะเรื่องนี้มีคัมภีรเล่าไว้นะก็คือยาจบคนหนึ่งไปขอทานบ้านเศรษฐีแล้วก็ไปเห็นเศรษฐีโอ้โหเอาตับบทเนี่ย น, นะบทใช้เข้านะเหยาะน้ำนมนะให้หมากินโอ้โหแกบอก โอ้โหหมาบ้านเศรษฐีมันดีกว่าฉันนะถ้าไม่เกิดเป็นหมาบ้านเศรษฐีแล้วเจ๋อเลยคืนนั้นอาหารแกมไม่ย่อยพอจิตดวงสวดุดแรดับปั๊บไปเกิดที่ไหนเป็นลูกหมาบ้านเศรษฐีเลยเข้าไปในท้องเลยคลอดออกมาเป็นหมาก็เมื่อวันเป็นมนุษย์อยู่อะโยมพอจิต ด, ดับปั๊บไปปฏิสนธิในท้องหมาเลยเพราะอะไรจิตมันผูกพัน เหมือนพระรูปหนึ่งพี่สาวอาจีวรมันถวายตอนเย็นตอนค่ํำมรณภาพก่อนนอนท่านตั้งใจว่าถ้าเอาจีวรมามรูปแหมฟุ่งนี้น่าจะหงไปบินทบบาทนะคืนนั้นมรณภาพปั๊บเกิดเป็นอะไรเป็นตัวเลนตัวเลนตัวไรที่จีวรของพี่นะพอท่านมรณภาพปั๊บพระก็เข้าไปจัดห้องพระพุทธเจ้าบอกว่าจัดห้องได้แต่จีวรของท่านอย่าให้ใครเอาไปเป็นอันขาดสั่งให้เก็บไว้เจ็วันแล้วจึงยกเป็นของสง ก็มีพระมาถามว่าทําไมต้องเก็บไว้พระพุทธเจ้าคะพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุรูปนั้นยึดติดถือมั่นอยู่ในจีวรเธอจึงไปเกิดเป็นตัวเลนตัวไรอยู่ในจีวร น, นั้นเดี๋ยวรอให้ครบเจ็ดวันซึ่งสัตว์ชนิดนี้มีอายุสั้นมากพอเขาตายไปตามอายุสังขารจีวร น, นี้ค่อยไปแบ่งแก่สงนะในเจ็ดวันนั้นถ้าใครเอาไปนะตัวเลนตัวไรนี่มันอาฆาตเพราะมันยังวิ่งไปวิ่งมาแล้วร้องว่าจีวรของกู นี่พุทธเจ้าท่านเห็นนะ่ะคุณเดิมเห็นไหมว่าคุณเอาจิตไปผูกไว้กับอะไรมีแนวโน้มที่จะไปสู่สิ่งนั้นหรือจะไปเป็นสิ่งนั้นฉะนั้นในทางจิตวิทยาท่านจึงบอกว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองชนะชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งใครคิดว่าตัวเองแพ้ก็แพ้ไปแล้วครึ่งหนึ่งหลักจิตวิทยาและพุทธศาสนาจึงตรงกันในเรื่องของพลังจิตโดยดังนั้นทุกคืนก่อนนอนเราควรฝึกจิตฝึกใจนะ ให้จิตดลงสุดท้ายหลับไปพร้อมกับการเจริญสติอ่าเพื่อที่จะให้เราได้ประพฤติปฏิบัติได้จริงๆแต่มาจะให้ทุกคนปฏิบัติตรงเนี้ยนอนเลยเราเวิร์คช็อปกันเลยนะให้ได้ลองประพฤติปฏิบัติเลยไม่ต้องใช้หมอนนะไม่ต้องเอาหมอนนนหัวแต่มาจะให้ทุกคนนอนเหมือนคนตายจริงๆเลย อ, ะนะอ่ะนะอ่าเราฝึกเอาฝึกเอาไม่ฝึกตตยตอนนี้ยมจะไปฝึกตอนไหนอะ่ะ เอาเลือกทำเลดีๆแล้วก็นอนเหยียดไปเลยนะทางไหนก็ได้นะโยมนะไม่ต้องถือรักหัวนะหัวจริงสมมตินะเออเราผู้ปฏิบัติเราไม่ต้องยึดติดถือมั่นนะไม่มีใครใหญ่กว่าใครตอนนี้เราเสมอกันหมดละนอนลงเอาสองแขนทาาไปข้างลำตัวนะให้อยู่ในอิริยาบถ ท, ที่ผ่อนคลายที่สุดจำบทสวดบทเมื่อกี้ได้ไหม ที่พระอาจารย์ท่านานำสวดมนว่าเราทั้งหลายเมื่อร่างนี้ไร้เวีย ญ, ญาณก็จะเป็นดังหนึ่งท่อนไม้ที่ถูกเขาทิ้งไว้กลางป่านิรัตถังว่ากระลิงขรังหาประโยชน์อันใดมิได้ถ้านทั้งหลายลองคิดตึเงเป็นดังท่อนไม้ที่ปราศจากลมหายใจพอเขาทิ้งไว้ในกลางป่าตากแดดตากฝนก็หมดคุณค่าไป ถ้าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่ท่านกำลังเข้านอนเราจะนอนกันอย่างไรผีความตายมาพาเราจะรับมือกันอย่างไรก็ขอให้ทุกคนคิดว่าเอาละคืนนี้จิตดวงสุดท้ายของวกเราเนี่ยจะต้องดับไปพร้อมกับ ก, บการเจริญสติอย่างที่สุดทุกทนทุกคนหลับตาลงเนาะทำดังหนึ่งว่านี่คือการนอนครั้งสุดท้ายในอัตภาพนี้ ทีความตายมาพรากในค่ำคืนนี้เราจะรับมือความตายอย่างดีที่สุดเราจะไม่ตายอย่างคนที่หลงตายแต่เราจะตายอย่างสงบตายอย่างสง่าตายอย่างงดงามด้วยการเจริญสติทุกคนเอามือมาแต่ไว้ตรงหน้าท้องนะตรงเหนือสะดือเบาๆสบายๆทำให้ผ่อนคลายที่สุดเอาหายใจเข้าลึกๆ แล้วหายใจออกเรื่อยๆผ่อนคลายตามดูอาการของท้องที่พองและยุบหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบหายใจเข้าท้องพองหายใจออกทอ้ทองยุบตามดูตามรู้ไปจนจิตดวงสุดท้าย ตกลงสู่พระวังหลับลึกอย่างสงบลองปฏิบัติดูนะหนึ่งสองสามเริ่มปฏิบัติเอาละทีนี้อีกวิธีหนึ่งนอกจากตามดูตามรู้ลมหายใจหรืออาการพองยุบของลมหายใจแล้วมีวิธีหนึ่งที่เราจะเป็นมนุษย์ผู้ มีกรมาทรประกันพบหน้าว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นั่นคือเราต้องมีศีลก่อนนอนนอกจากจะตามดูตามรู้จิตตามดูตามรู้ลมหายใจแล้วทุกท่านควรสมาทานศีลให้เตือนเงียบๆอธิษฐานในใจเป็นการสมาทานศีล น, นะท่านอาจจะสมาทานก่อนแล้วค่อยตามดูตามรู้ลมหายใจก็ได้นะพอลม้มตัวลงนอนปับ๊บประสานมือไว้ตรงหน้าท้องแล้วก็อธิษฐ า, า, านสมาทานศีลห้าในใจ ปานาติปาทาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอันเนาธานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยาเมสกเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยาเมิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิ สุราเมระยะมัชฌปมาทฐานาเวรามะเนสิกขาปะทังสัมาทิยามิจากนั้นก็ตามดูตามรู้ลมหายใจไปหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเขอพองหายใจออกยุบตามดูตามรู้ไปจนกว่าเราจะหลับไปจนกว่าเราจะหลับไปพร้อมกับเจ็ดดวงสุดท้าย ที่ประกอบกุศลกรรด้วยวิธีการปฏิบัติดังกล่าวมานี้ผีความตายมาพาคในค่าคืนนั้นเป็นอันรับประกันได้ว่าท่านจะมาสู่สุคติพบอย่างแน่นอนและนี่ก็คือกรมทันประกันพบหน้าของเราท่านทุกคนเราเคยได้ยินคํากล่าวว่ามนุษย์นั้นเลือกเกิดไม่ได้นั่นนะเป็นความเข้าใจที่ผิด แท้ที่จริงถ้าเราประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเราสามารถกำหนดภพหน้าของเราตั้งแต่ภพนี้ด้วยกรรมวิธีดังที่กล่าวมานี้แหละฉะนั้นเมื่อท่านกลับบ้านไปแล้วก็ขอให้จดจำบทเรียนมรณสติศึกษาในค่ำคืนนี้เอาไปประพฤติปฏิบัติให้ดีในระดับจริยธรรมขอให้เราท่านทั้งหลาย เมื่อตั้งใจจะทำอะไรดีๆกับใครแล้วรีบทําทันทีทําเต็มที่ทําดีที่สุดดูแลทุกความสัมพันธ์ด้วยความเคารพอย่างดีที่สุดอย่าให้ความสัมพันธ์ใดๆเป็นความสัมพันธ์ที่นำมาซึ่งความมนหมองครองทุกหรือความเจ็บช้าน้ำใจจากนั้นดูแลตัวท่านเองและคนที่รายล้อมของท่านให้มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุข ส่วนในระดับปรามัต ธ, ธรรมทุกคืนก่อนนอนขอให้ท่านเจริญมรณสติโดยการบอกตัวเองว่าหากคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายพิความตายมาภาคข้าพเจ้าก็จะขอให้คืนสุดท้ายและเจ็ดดวงสุดท้ายนี้ดับไปพร้อมกันกับการเจริญสติโดยการสมาทานศีลและก็ครองกายคลองใจให้หลับลงไปพร้อมกับการตามดูตามรู้ลมหายใจของเรา เมื่อท่านประพฤติปฏิบัติดังที่กล่าวมาทั้งบดนี้วันหนึ่งพี่ความตายมาพรากโดยไม่คาดฝันก็เป็นอันมั่นใจได้ว่าพบหน้าของท่านเป็นพบที่ดีอย่างแน่นอนเอาละาลุขึ้นมาได้อา้าวอันมาทางนี้อาทีนี้มารับโจทย์การบ้านนะเปลี่ยนมรณะสติศึกษาไปแล้วพระอาจารย์ก็ขอให้การบ้านด้วย การบ้านที่จะมอบให้ก็คือถ้าหากพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตพระอาจารย์ให้พรท่านทุกคนเลยให้ทำสิ่งสาคัญที่สุดเพียงสามสิ่งท่านจะทำอะไรคืนนี้คิดแล้วพรุ่งนี้มาตอบพระอาจารย์นะถ้าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายสามสิ่ง ที่คนซึ่งมีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งวันในโลกนี้จะทำคืออะไรท่านเลือกจะทำอะไรเอาสามสิ่งที่สำคัญที่สุดเท่านั้นการบ้านคนนี้จะทำให้เรารู้จักเลือกทำในพฤติกรรมที่คุ้มค่าที่สุดเพราะถ้าเราบอกว่าเออยังไม่เป็นไรหรอกเราจะทำสารพัดหลยโน่นก็ทำนีก่ก็ทำแต่ถ้าเราเหลือวั น, ว, นวันพรุ่งนี้เพียงวันเดียวอ่ะยอมจะต้องเลือกทาแต่พฤติกรรมที่ดีที่สุด สมมติว่าธตรมาภาพให้เลือกทำได้เพียงสามอย่างยมจะทำอะไรนะคำคืนนี้ไปคิดไปพิจารณาให้ดีธรรมาอยากจะรู้ว่าเราจะบริหารจาัด ก, การชีวิตของเราอย่างไรเอาละธตรมาคิดว่าได้ใช้เวลาในการชักชวนพวกเราศึกษาการเจริญมรรณะสติมาก็พอสมควรเก่นเวลา